ขอนบน้อมพระรันตนตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอากาสหลวงพระกรมพระเทรานุเทระเพื่อจะทำให้ทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งฟังกันตามสบายนะนี่ก็ต้องขออนอื่นต้องขอชื่นชมนะ ชื่นชมหลายๆคนที่มาทำบัดเช้ากันโดยเฉพาะเห็นมีเด็กๆทั้งกันสามคนนะอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าตั้งแต่ก่อนตีสนีะ่ซึ่งมันก็ถือว่าผิดกับวิสัยของเด็กทั่วไปนะเด็กทั่วไปบางทีหกโมงเจ็ดโมงก็ยังไม่อยากจะตื่นนะแตเ่เด็กสามคนนี้ก็ ดีนะอโลซาตื่นมาร่วมทำวัดด้วยแม้อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นการได้ฝึกหรือว่าทำตัวให้คุ้นเคยกับการขัดเก่านะคว า, ความความขี้เกียจนะความความเคยชินเก่าๆหรือว่าการตามใจความอยากของเราเนาะนอันนี้ก็เห็นแบบ น, นี้แล้วก็นะ่าชื่นชมนะ หรืแม้แต่เด็กที่มาเข้าวัดนี่ก็น่าชื่นชมมากละเแล้วก็อีกอย่างก็อนุโมทนากับนะญาโยมเนาะพอออกไม่ออกเนาะที่มามาเข้าสินนะมาเข้าศินทุกวันพระนะอย่างน้อยเราอยู่บ้านหกเจ็ดวันก็มาอยู่วัดสักวันหนึ่งนะมาเป็นพ่อออกไม่ออกออกจากอย่างนะ ออกจากกิเลสออกจากตัณหาเนาะบางทีอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนเนี่บางทีมันมันติดมันคล้องอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับการกับงานนะแล้วก็ออกออกจากครอบครัวบ้างออกจากการงานบ้างนะหรือที่จริงก็ออกจากชีวิต ท, ที่ยุ่งเหยิงสับสนนั่นแหละนะอันนี้เราอาจจะออกทางทางกายเนาะมาอยู่ที่วัดนะแต่ ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมเราก็ควรที่จะออกออกจากอะไรออกจากความคิดนะความคิดนี่แหละคือสิ่งที่ที่มันทำให้เราหลงนะวนเวียนนะอยู่กับความคิดนะวนเวียนอยู่กับกิเลสนะวนเวียนอยู่กับตัณหาเราต้องออกมาจากความคิดออกจากกิเลสออกจากตัณหาให้ได้นะ ถ้าเราไม่ออกจากมันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันนะเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าอปลาอยู่ในน้ํานะมันก็ไม่เห็นน้ําไส้เดือนอยู่ในดินมันก็ไม่เห็นดินนกอยู่บนท้องฟ้ามันก็ไม่เห็นฟ้านนอยู่ในอุจจระอยู่ในคูณนะมันก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ในคูณนะไม่เห็นว่ามันอยู่ในสิ่งที่สกปรกมันต้องออกมาก่อนนะมันถึงจะเห็นนะ เหมือนอย่างเวลาเราขึ้นเครื่องบินอยู่บนที่สูงเนี่ยนะมันถึงเห็นพื้นแผ่นดินเห็นประเทศเห็นภูเขามันเล็กนิดเดียวนะเราอยู่บนที่ด้านเนี่ยเราก็เห็นภูเขาเป็นลูกใหญ่ใหญ่นะเห็นพื้นนานี่ยอ้อมกว้างใหญ่หเกินแต่พอขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันเล็กทีดเดียวนะหรือบางทีขึ้นไปสูงๆก็แทบมองไม่เห็น อันนี้ก็คือพอเราพ้นมาจากมันเราก็มองมันลงไปนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่มากมันเล็กนิดเดียวพวกเราเคยรู้สึกไหมบางทีพอเวลาเรามีปัญหาในชีวิตนะแล้วก็เจนทั้งชีวิตเราทุกข์นี่บางทีเรารู้สึกว่าความทุกข์ที่อยู่ต่อหน้าของเราเนี่มันใหญ่มากมันรุนแรงมากมันเป็นอะไรที่ เรียกว่าแทบจะทับต่อตายได้เลยนะแต่พอเราผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเออมันก็มันก็แค่นั้นเองเนาะทำไมแต่ก่อนเราถึงโง่ทําไมแต่ก่อนเราถึงต้องร้องไห้เสียใจตีโพยตีพายนะทำไมเราถึงนีโง่งแบบนั้นเนาะอ่าพอออกมาจากมันได้ค่อยรู้ตัวว่าที่จริงมันไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นนะอย่างบางคนถ้าเคยอย่างเช่น นะอกหักนะเขาทิ้งเราไปหรือนะอะไรแบบประมาณนี้ตอนนั้นก็ร้องไห้เสียใจนะร้องไห้เสียใจตีโพยตีพายจมอยู่กับความทุกข์แต่พอไปเจอคนอื่นเ อ, อ้ามันก็ดืมอละออพอเวลามันผ่านไปมันก็หายละความทุกข์มันหายไปหรือแม้แต่เราสังเกตมเวลาอันมาคิดว่าหลายคนก็คงมีประสบการณ์ ญาติพี่น้องนะอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบางคนอาจจะเป็นลูกวยซ้ำที่ตายไปนะตอนที่เข้าตายไปในวันนั้นนี่โอ้มันทุกข์หนักเนาะมันทุกข์หนักส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ร้องไห้นะคำครวญ น, นะแต่พอจัดงานศพผ่านไปนะก็เริ่มเริ่มไม่เคยทุกข์ละนะตอนที่ยังเห็นศพ ตอนที่ยังจัดงานศพมีคนร้องไห้เป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ยังทุกอยู่แต่พอจัดงานเลิกไปทําบุญเรียบร้อยแล้วนะบางทีเราก็ผ่านมาหลายปีแล้วผ่านมาหลายเดือนแล้วเออมันก็มันก็ไม่ทุกหนักขนาดนั้นเนาะเออมันก็ผ่านไปได้บางทีเราก็ต้องออกมาจากพวกนี้แหละก่อนมันถึงจะเห็นว่ามันเห็นถึงจะเห็นว่าความทุกข์มันเป็นแบบไหนนะ บันทีตอนที่เราอยู่กับมันเนี่เราเราจมอยู่กับมันนะเหมือนเราจมอยู่ในน้ําเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นน้ํามันชัดแต่จริงนะมันไม่ได้รู้จริงๆหรอกเพราะว่าเรายังหมกมุ่นอยู่กับมันอยู่นะแต่พอเราออกมาจากมันแล้วมันเห็นมันเห็นชัดมากนะเหมือนเคยคุยกับมหาประโยคเก้าคนหนึ่งนะแต่ตอนที่คุยนั้นเขาเป็นคารวาละคงบวชมา มากกว่าสิบปีเนาะเพราะว่าเรียนเรียนบาตรีจนได้ประเดี๋ยงเก้าประโยกนะเขาก็ค่อยขับรถรับส่งพระในโอกาสที่เขาว่างนะแต่เขาก็มีงานประจําของเขาอยู่เขาก็ได้ฟังว่าตอนที่เป็นพระเนี่ยตอนที่เรียนธรรมะเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ใช้ธรรมะไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยลึกซึ้งไม่คยไม่เข้าใจกับธรรมะนะเรียนในการจำได้ท่องได้นะมีความรู้มากแต่ตอนสึกออกไปเป็นคาราว่านี่มันรู้จักความทุกข์นะได้ดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าชีวิตตอนที่เป็นนักบวชนี่มันสบายนะอยู่วัดในเมืองอาหารการกินเพียบพร้อมที่อยู่อาศัยเสื้อผ้านี่ ก็เยอะแยะมากมายสบายมากชีวิตตอนนั้นมันมันไม่ทุกข์มันมีแต่ความสบายนะลาบสการะก็มีมากเนี่ยก็สบายมากแต่พอออกมาเป็นคารวาสมาเจอความทุกข์ตั้งแต่เริ่มหางานทําตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในที่พักเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆโอ้เขาบอกว่า ตอนนั้นแหละค่อยได้เอาธรรมะมาใช้ตอนเป็นตอนเป็นพระนี่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้นะชีวิตมันสบายนะพอชีวิตสบายมันก็เลยมันก็ได้เพลินกับความสบายนะแต่พอเป็นคารวะเนี่ยชีวิตมันมันเจอความบีบคั้นมันเจอความทุกข์ตอนนั้นแหละอริยสัจสี่ที่เคยได้เรียนเคยได้จําได้เนี่ยค่อยได้เอามาใช้ค่อยมาตระหนักถึงเรื่อง ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วโอ้ชีวิตมันเป็นทุกข์แบบนี้เนาะตอนเป็นพระนี่มองคาล้วาสินี่มันก็มันก็ดูไม่ค่อยทุกข์เท่าใดนะก็เลยท่านก็เลยอยากจะออกลองออกไปบ้างนะพอไปออกไปจริงๆมันก็โอ้มันทุกข์เนาะชีวิตนี่อ่มันทุกข์ได้เรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่ข้อแรกนะเรื่องของความทุกข์นะท่านไม่ได้เรียนรู้จากความทุกข์นี่มันก็จะไม่ ไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์นะมันก็พอรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องหาทางออกจากความทุกข์นะทุกข์นี่ยมันก็ดีนะมันบีบคั้นให้เราหาทางออกจากมันนะถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ว่าเราอยู่กับมันเนี่ยเราก็จะไม่อยากออกจากมันหรอกนะนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ก็ดีนะทุกข์นี่มันมาสอนเรานะเหมือนใลคนที่พอเจ็บ ป่วยหนักๆ น, นะเป็นมะเร็งเป็นโรคกลายต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถพูดได้ว่าเพราะถ้าไม่มีความทุกข์หรือว่าถ้าไม่มีปัญหาชีวิตเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้ธรรมะก็ได้นะบางทีชีวิตที่มันสะดวกสบายมันก็ทำให้เราเพลินอยู่กับโรคนะแต่พอชีวิตเจอปัญหาบ้างเจอความทุกข์บ้างหลายคนก็ก็จสนใจหาทางที่จะออกจากความทุกข์นะ แต่แม้แต่คนที่สนใจหาทางออกจากความทุกข์นะบางทีเขาก็ยังหาผิดทางนะเช่นหาว่านะต้องไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปกินเหล้าเมายานะไปเที่ยวให้มันดื่มความทุกข์ไปชั่ค้าชั่ข่าวอั น, นั้นเขาก็คิดวิธีหาจากความทุกออกจากความทุกเหมือนกันนะนะหรือบางคนก็หาวิธีออกจากความทุกโดยการ บนบานสารกล่าวนะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธนิะ์ให้ช่วยขจัดปัญหาให้ช่วยแก้ความทุกข์ให้นะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ก็ปานนี้ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งหรือบางวิธีนะก็ใช้วิธีโอ้มันทุกข์มากก็ทําไงเนาะถึงจะกบความทุกข์กบความคิดได้ก็ใช้วิธีไปทําสมาธินะให้จิตมันให้จิตมันสงบให้จิตมัน ต้องว่างให้จิตมันนิ่งๆชั่วคราวนะก็ดื่มความทุกไปนะมันก็มันก็ปานีขึ้นมาอีกนะแต่พอกําลังสมาธิมันหมดไปมันก็กลับมาทุกใหม่กลับมาคิดใหม่นะหาทางออกกับมันไม่ได้นะอันนี้ก็ปานีขึ้นมานะแต่วิธีการที่เราฝึกผัดเนี่ยมันเรียกว่าเป็นวิธีการเจริญสติหรือว่าเจริญมิปัสนานะ เรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อศึกษาให้เห็นความจริงของมันนะเราไม่ได้หนีทุกข์หรือว่าเราไม่ได้กบความทุกข์แต่เรามาเรียนรู้จากความทุกข์นะจริงๆนะนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเรามาเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้มันนะเราถึงจะออกจากมันได้ถ้าเราไม่เรียนรู้จากมันเนี่ยคิดจะหนีนะก็หนีไม่พ้นเหมือนคน คอยวิ่งหนีเงาตัวเองนะในตอนกลางวันเนี่ยหนีย่างไรก็หนีไม่พ้นนะเอามันตามตัวเราจะหนีความทุกข์ยางไรก็หนีไม่พ้นนะเราจะกบอย่างไรก็กบไม่พ้นนะทิ่งที่เราต้องถึงจะพ้นจริงๆต้องมาเรียนรู้มันนะมาเรียนรู้จากมันจริงๆว่าความทุกข์มันคืออะไรนะความทุกข์อย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยนะ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็เป็นทุกข์นะแต่นั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ประจําสังขารร่างกายเนาะเราคงเราคงเรียกว่าไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ของกายได้นะแต่สิ่งที่สําคัญเราถ้าเรายอมรับความจริงว่ามเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์นะหรือถ้าทุกข์มันก็จะทุกข์ไม่มากนะแล้วอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของใจละ บางทีเราลองพิจารณาโดยดีนะอย่างที่บางทีเราสวดมนต์นะบอกว่าการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพูดง่ายๆก็คืออยากได้อย่างแต่ว่าได้นะี่ะก็เป็นทุกข์เนาะแม่บอก อ, อยากจะได้อะไรไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์แต่พอสมมตุติลองโดยดีเราปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ได้สิ่งนั้นมานะ เราก็เรียกว่าเป็นความสุขนะเป็นความสุขแต่ถามโดยดีว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราได้มาที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันมันอยู่ตลอดไปไหมมันเป็นของที่ยั่งยืนไหมนะอย่างถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวนะปรารถนาคนเข้าใจทุกคนหนึ่งคนรักทุกคนหนึ่งนะตอนที่ยังไม่ได้มานี่ก็เป็นทุกข์พอได้มานี่ก็โอ้เป็นสุขเหลือเกินนะ แต่พอลองคบกันไปสักพักนี่จากสุขมันก็เริ่มเป็นสุขสุขทุกทุกแนนะอยู่นานไปบางคู่ก็เป็นทุกมากกว่าสุขนะใช่ไหมน่ะสิ่งที่เราปรารถนาที่ได้มาเราว่าเป็นความสุขแต่บางทีมันก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะหรือบางทีเราได้บางอย่างมาเนี่ยก็มีความสุขนะแต่มาเป็นความสุขแบบแบบมามา่ารือใช่ไหม อาม่าสำเร็จรูปนะปรุงสำเร็จนะสามนาทีพร้อมพร้อมรับประทานเช่นเราได้สิ่งของมานะสังเกตไหมบางทีมันดีใจแป๊บเดียวนะมีความสุขแป๊บเดียวแล้วก็ลืมไปละ <c oughs> เราได้โทรศัพท์ใหม่มาเนี่ยก็ดีใจมีความสุขสักพักหนึ่งพอมันเริ่มออกรุ่นใหม่มาพอราคาเริ่มตกเนี่ยก็เริ่มธรรมดาแล้ว ของใหม่ที่ว่ามันใหม่มันสดนะมันก็เริ่มเบื่อล้นะสิ่งใดก็เหมือนกันนะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่เราได้มาที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแต่พอได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็สุขชั่วคราวนะสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปอันนี้แหละเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนะั้นมันก็เป็นทุกข์แม้แต่สิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราได้มา มันก็ยังเป็นแค่ความสุขชั่วคราวนะสุขชั่วคราวเท่านั้นแต่เราทําไงด่าเราถึงจะถึงความสุขที่ที่ยั่งยืนหรือว่าเราจะละทุกนะได้อย่างเด็ดขาดนะเราต้องมาเรียนรู้นี่แหละว่าบางทีปัญหาของคือความอยากในจิตในใจของเราเนี่แหละที่มันนะมาซึ่งความทุกข์นะเราอยากได้สิ่งใดนี่จิตมันก็เริ่มทุกข์แล้วถ้าเราลองสังเกต ด, ดูนะ แค่แค่คิดอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยจิตก็เป็นทุกข์แล้วนะดูถ้าเรากลับมาดูดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับกับจิตเนี่ยโอ้จิตมันมันร้อนมันรนนะเวลาเราอยากได้อะไรบางทีเราก็อยากอยากจะได้เร็วๆได้ซ้ำนะอยากจะได้เร็วๆอยากจะทําให้สําเร็จเร็วๆเนี่ยจิตมันเริ่มร้อนละเรียกว่าใจร้อนก็ได้ภาษาเราใจร้อนหรือบางทีมันก็ส่งผลถึงกายได้ซ้ํานะ ว่เราอยากจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้นี่บางทีก็หัวใจก็เต้นแรงบางทีก็อึดอัดแน่นหน้าอกขึ้นมาหรือบางคนก็กลายเป็นความเครียดนะอยากจะได้แล้วมันไม่ได้นะก็เครียดก็เลยก็มีเนี่ยเราก็เห็นโอ้ใจเป็นแบบนี้เนาะใจมันร้อนกายมันเครียดเนี่ยมันก็เป็นอาการที่เกิดเป็นความทุกข์พอเรามาตระหนักมาดูทันนะอ๋อใจมันร้อน เออราก็ดูทันมันก็ดับลงไปได้นะหรือเราสังเกตเห็นกายมันเครียดออกายมันเครียดเพราะอะไรเนาะทำไมถึงแน่นหน้าอกทำไมถึงปวดหัวทำไมถึงเป็นน่นเป็นนี่เราก็อึงเราก็คลายมันได้อันนี้แหละเราต้องรู้จักมันก่อนนะรู้จักว่ามันเป็นทุกอย่างไรนะหรือแม้แต่การที่เราบางทีเราอาจจะไม่ได้ดู ในเรื่องแบบนั้นเราก็มาดูในภาคการปฏิบัติเลยก็ได้นะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์นะซึ่งหน้าเราจะไม่อาศัยอย่างอื่นมาช่วยมากนักนะเช่นเราต้องมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะหรือทํากรรมฐานวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าเราจะวางจากการงานนะอย่างอื่นไว้ก่อน เพื่อมาเผชิญหน้ากับตัวของเราเองจริงๆนะเผชิญหน้ากับกายกับใจของเราจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนนะเราทําไปเนาะก็ะเผชิญเลยทันทีเผชิญกับความปวดความเมื่อยเนี่ยมันมาจริงๆนะใช่ไห ม, มเมื่อกี้ตอนที่เริ่มมาทําวัดเนี่ยก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนะอืมมันก็นั่งไปสักพักเนี่ยก็เริ่มปวดก็เมื่อยละโดยเฉพาะคนสูงไว้เนาะเนะนะออก็คงเห็นได้ชัดนะ นั่งไม่กี่นาทีเนี่ยก็ปวดก็เมื่อยละหรือบางคนนะถ้าได้สวดมนต์ได้พูดหน่อยเนาะมันก็ไม่ง่วงเท่าไหร่นะให้ฟังเฉยเนี่ยเดิมง่วงละเนี่ยอันนี้ก็ธรรมชาติมันก็หมายแล้วนะอือนะหรือบางทีเรานั่งยกมือท่านจังหวาไปเนี่ยบางทีก็มันก็ความง่วงเนี่ยก็ก็เข้ามานเข้ามาแทรกอยู่บ่อยมาครอบงํานำ แต่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็จะเห็นว่า้ความง่วงก็เป็นเรื่องของกายนะนะแต่เราก็สามารถมีสติออกมาจากความง่วงไดนะ้ความปวดก็เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของกายนะนะเราแต่ใจมันไม่ได้ปวดด้วยก็ได้นะนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเผลอไปเนี่ยนะกายก็ปวดใจก็ปวดนะถ้าเราเผลอไปอยู่ในความง่วงนะกายก็ง่วงใจนี่ก็แทบจะ ไม่มีที่อยู่เลยนะอยากจะนอนท่าเดียวไม่อยากยกมือแล้วอันเนี้ยถ้าเราเห็นมันนะเราจะออกจากมันได้แตถ่ถ้าเราไม่เห็นเนี้ยเราจะโดนมันครอบนะเหมือนกับคล้ายถ้าเราเอาถุงพลาสติกมาครอบหัวเราเนี่ยนะนะมันก็มองไม่เห็นอะไรนะหายใจก็ไม่สะดวกนะถ้าเราโดนความง่งวงครอบงำก็เหมือนกันนะแทบจะมองไม่เห็นอะไรหลักมันก็จะจะจมกับความง่วงนะ แต่เราก็ต้องพยายามฝืนมันสักหน่อยนะทนมันสักหน่อยนะมันง่วงก็ง่วงไปแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวของเราไปนะเจ็บปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะมันเจ็บปวดเมื่อยก็เห็นมันนะแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็แค่ปรับเปลี่ยนท่าทางนะคลายคลายความปวดความเมื่อยนะความปวดความเมื่อยมันก็หายไปนะความทุกข์ก็บรรเทาไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของใจเนี่ย ต้องละทันทีเลยนะเช่นถ้าเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมานี่เราต้องละมันทันทีนะอนะอย่าไปเลี้ยงมันไว้นะละโดวยวิธีไหนในเบื้องต้นละโดยการกลับมารู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะพอเรารู้ทันว่าสมมติมันโกรธรู้ทันว่ามันคิดนี่เราละกลับมารู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังนั่งยกมือตั้งจังหวะอยู่นะนะ ตอนนี้กำลังเดินจงกรมอยู่นะ่ะตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นะ่ะนี่เราละกลับมาอยู่กับกับการกระทำามันเป็นภาคของการปฏิบัตินะอ่พอเรารู้รู้ทันว่ามันคิดนะเรากลับมารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะทำให้เราออกจากความคิดได้นะออกจากความคิดได้อแต่เราไม่ได้ห้ามความคิดนะการทำเพจ น, นี้ไม่ใช่เป็นการห้าม หรือไม่ใช่เป็นการหนีนะแต่รู้แล้วไม่เข้าไปไม่เข้าไปอยู่กับมันเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราเห็นโทษนะเห็นโทษว่าความโกรธนะมันไม่ดีเราก็เลยออกจากความโกรธมาอยู่กับปัจจุบันและทำแทนแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษนะเราก็จะเก็บความโกรธไว้แล้วก็อยู่กับมันนะโกรธเขาจนไม่ ดูจักให้อภัยถ้ทาท้งที่บางทีเราก็รู้ว่าความโกรธมันไม่ดีนะนาการให้อภัยมาทาให้ใจเราปล่อยวางแต่บางทีเราก็ไม่อยากให้อภัยเขานะอยากจะให้เขามาขอโทษเราอยากจะเก็บความโกรดนั้นไว้จิตใจเราก็ก็เป็นทุกขนะ์นะบางทีเรารู้แต่ภาคทฤษฎดีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนกับ มหาประโยชน์ก้าท่านั้นเบอกว่าแต่ก่อนน่ะรู้แต่ทฤษฎีนะแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติมันก็เลยเป็นแค่ความรู้เท่านั้นนะดังนั้นการการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของภาคการปฏิบัตินะท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะประพมคุณาพรท่านท่านให้นิยามของของการปฏิบัติธรรมดีนะท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือ การนำธรรมะมาใช้ในชีวิตนะหรือการใช้ชีวิตตามตามหลักของธรรมะนะก็คือเป็นเรื่องของภาคการกระทํำเลยแหละนะถ้าเรารู้จักธรรมะนะเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตนะหรือเราใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะนั่นแหละการปฏิบัติก็คืออะไรการที่เราทํากายวาจาแล้วก็ใจนี่ยแหละนะให้มันถูกต้อง นะกายวาจาเรียบร้อยนะ่ยชื่อว่าศีลดิว่าเป็นภาคการปฏิบัติของเรื่องศีนนะใจเนี่ยก็มีภาคปฏิบัติของเรื่องของสมาธินะแล้วก็เรื่องของปัญญาเนะี่ยเราปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเราเนี่แหละนะให้มีธรรมะนะตัวที่จะทําให้เราปฏิบัตินะได้เนี่ยก็ศีนสมาธิปัญญาเนี่แหละนะหรือถ้าเป็นเรื่องย่อลงมาสู่ ทางสายเอกหรือว่าทางสายที่พระเจ้าท่านสรเสริญว่าเป็นทางที่ออกจากความทุกข์นะก็คือเรื่องของการเจริญสติที่พวกเราได้ฝึกนี่แหละนะแค่เรารู้สึกตัวนะเราทำความรู้สึกตัวนี่เราก็จะออกจากความทุกข์ได้นะหลวงพ่อคาเขียนท่านบอกว่าการทำความรู้สึกตัวนี่เป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งท่ามกลางแล้วก็เป็นทั้งที่สุดนะ เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องฝึกให้รู้สึกตัวก่อนนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะเราก็รักษาสินได้ยากนะนสมมติถ้าเราถูกยุงกัดวันนี้ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะว่าว่ายุงมันกัดหรือว่าใจเราไม่ชอบเราก็ทำตามความเคยชินเลยนะนหลายคนพอมาวัดเนี่ยบอกว่าเออพอยุงกัดเนี่ยนะอย่างเช่นถุกโตเนี่ยยุงเยอะเนาะ มาที่วัดพอยุงกัดปุ๊บ ก, ก็ตบปั๊บทันทีนะพอตบแล้วก็บอกเออดื่มตัวเคยชินเลยเคยชินอยู่ที่บ้านตบยุงไม่รู้สึกผิดนะแต่พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยตบยุงแล้วรู้สึกผิดนะแต่พอพอตบไปแล้วค่อยรู้ตัวว่าตัวเองเผลอไปใช่ไหมเนะีถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยรักษาสิ่งก็ยากนะะโดนยุงกัดนี่ก็ตบไปตามธรรมชาติลนะโดนคนด่านี่ก็สวนกลับไปตามธรรมชาติลนะ โดนคนตีก็ตีเขาตอบไปแล้วตามธรรมชาติละอันนี้คือถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเช่นเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ถือเอาเลยโดยเป็นพา ร, รักการเลยแบบนี้มันยากนักนะหรือถ้าเรามีลูกมีเมียแล้วเห็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะก็อยากจะอยากจะชอบอยากจะรักเขาออกเนะี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราจะห้ามอารมณ์พวกนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรา เราจะหาช่องทางนะหรือว่าบางทีเราก็เรียกว่าโดนเขายั่วยวนนิดหน่อยเราก็ไปกับเขาแล้วอันเนี้ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะสินข้อสามเนี่ยกวิบัตนะิเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สี่เนี่ยยิ่งวิบัติได้ง่ายนะวาจานะมุสาวาทานี่แหละนะบางทีก็เผลอพูดปดนะพูดปดพูดคำหยาบนะพูดเพ้อเจ้อ พูดสอเสียดนะไอพูดปดพูดคำหยาบนี่ก็บางคนก็อาจจะละได้ง่ายนะแต่บางทีพูดเพ้อเจ้อเนี่ยหรือพูดส่อเสียดเนี่ยบางทีมันผิดกันได้ง่ายผิดกันได้ง่ายมากมีนักปฏิบัติธรรมก็เคยเล่าใหฟังเหมือนกันนะบอก็เพิ่งก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดนะแต่พอขับรถกลับไปเนี่ยขับรถกลับไปกับเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะบอก สิ่งที่ทํากันก็คือพูดถึงคนนั้นคนนี้ <c oughs> ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยนะเขาก็พูดว่าก็ดินทาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะทั้งทั้งที่ตอนมาปฏิบัติธรรมนะก็ตั้งใจปฏิบัตินะแต่พอแค่ออกจากวัดเนี่ยนั่งรถขับไปกรุงเทพอ่ะนะห้าหกชั่วโมงอ่ะนะพูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นนะก็ถามก็เเออที่บอกว่าดินทาเนี่ยท่นใหญ่ ก็พูดแต่เรื่องเลย์ไลของเขาใช่ไหมเออก็ใช่ถ้าสังเกตไหมทําไมเราถึงชอบนินทาชอบว่ารายคนอื่นเขาบอกคงเป็นธรรมชาตินะมะ้งไม่รู้ทําไมเหมือนกันบอกว่าถ้าข้างที่คนนั้นนะเขาก็มีความดีมากมายนะแต่พอดีพอพูดถึงเขาเมื่อไรเนี่ยมักจะพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีนะมักต่พูดถึงแต่เรื่องที่แปลกๆของเขา มันก็เออเขาบอกเ อ, อมันเป็นเจดิตที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะอืมหรือบางทีเราสังเกตไหมเวลาหนังสือพิมพ์หรือข่าวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะออกแต่ข่าวได้ร้ายข่าวแปล ก, ปกข่าวที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เพราะอะไรคนมันชอบเสพเรื่องเรื่องได้ร้ายหรือเรื่องที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เรื่องดีๆเนี่ยก็ออกนิดเดียวออกไม่มากแต่ถ้าเรามองดีๆนะในชีวิตของเราเนี่ย อาจจะมีเราอาจจะรู้จักคนดีๆก็เยอะรู้จักสิ่งดีๆก็เยอะนะแต่สิ่งที่เรามักพูดถึงเนี่ยก็คือสิ่งเลวรของเขาหรือสิ่งที่ไม่ดีนะหรือจริงในชีวิตเราของเราเองก็ดีนะอาจจะเจอความทุกข์อาจจะเจอปัญหามามากก็จริงนะตอนที่เราเจอความทุกข์เจอปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆตาเราเนี่ยมองไม่เห็นสิ่งอื่นเลยมองเห็นแต่ปัญหามองเห็นแต่คนที่ทําร้ายเรา คิดถึงแต่คนที่ทําให้เราทุกข์นะคิดถึงแต่เรื่องที่เราทุกข์จนลืมดูว่าที่จริงคนรอบข้างหลายๆคนนี้เขาก็ยังดีนะชีวิตเราก็ยังมีความสุขนะยังเดินได้ยังกินได้นะยังมีอีกหลายอย่างนะเราบางทีเราก็คิดถึงแต่สิ่งที่เราขาดนะเราไม่มีเหมือนคนนั้นคนนี้แต่จริงชีวิตเราก็ยังมีอีกอีกมากมายนะ โดยเฉพาะเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงชีวิตเราไม่ต้องการใดมากเลยนะแค่ต้องการปัจจัยสี่พอดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีเวลาได้อยู่กับตัวเองนี่แหละทาให้เราได้ได้ตร่นหนักถึงว่าที่จริงถ้าเราอยู่กับตัวเองได้จริงเนี่ยชีวิตมันเป็นสุขมากเลยแค่มีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยชีวิตมันเป็นความสุขแล้วนะ สังเกล็ดไหมถ้าเราเดินจงกรมจิตใจอยู่กับการเดินจริงๆเนี่ยนะมันวางความคิดตรงได้เนี่ยวูตอนนั้นมันสุขมากเลยนะเออไม่ียกว่าสุขมากกว่าได้อะไรมาใหม่ๆได้ซ้ำนะเราเดินไปรู้สึกตัวไปเห็นกายมันเดินจิตใจแค่รู้เนี่ยใจมันเบามันไม่แบกกายไม่แบกใจ ยกมือสร้างจาังหวะก็เพียงแค่ตัวเด็กๆรู้ว่าอ๋อมือมันเคลื่อนมือมันไหวใจเป็นคนแค่ดูเฉยๆเนี่ยมันเมามากนะมันสบายมากหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะมีความคิดมีอะไรอารมณ์เข้ามาแต่พอเราแค่ดูมันเฉยๆอ๋อมันก็แค่คิดนะความคิดนี้มันเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปอารมณ์นี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมา มันก็แค่เกิดขึ้นชั่วคราวนะแล้วก็ดับไปนะเออเออพอเราไม่ไปถือไม่ไม่ไปยึดมันเนี่ยมันสบายนะเ อ, อ่าะังนั้นพอมาเห็นเลยว่าโอ้กายเนี่ยบางทีมันก็เจ็บมันก็ปวดก็เมื่อยแต่ถ้าเราเห็นเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะ อ, อ่ใจหรือความคิดก็เหมือนกันเราก็ห้ามมันไม่ได้นะอารมณ์ก็ห้ามไม่ได้แต่พอมันเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้แล้วก็เห็น นะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะมันก็สบายลนะการมีสติเนี่ยคือการแค่ดูเฉยๆนะแค่สังเกตนะอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจพอเราดูแล้วมันก็วางได้นะแต่ตอนไหนที่เราเผลอไปเนี่ยมันเราก็ไปยึดไว้เรียกว่าเป็นมีอุปท า, านการยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นะเราก็ต้องแค่สังเกต แต่จิตส่วนใหญ่มันจะโง่ฮะนะมันจะโง่โง่งงทุกคนแหละนะอัตมาเองก็โง่โง่ามากด้วยนะนะบางทีถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็ไปยึดมันยึดมันไว้เป็นตัวเป็นตนเป็นความทุกข์ของเรานะเป็นเราเป็นผู้ทุกข์นะเป็นตัวกูเป็นของกูนะแต่พอมีสติมันก็วางได้นะมีสติมันก็วางได้นะแต่สิ่งที่เราฝึกก็คือฝึกให้มีสติบ่อยๆ มันก็จะเกิดการวางการปล่อยได้บ่อยแล้วอย่างหนึ่งพอสติมันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาถึงจิตถึงใจของเรานะความรู้ที่แต่ก่อนมันรู้จากการได้อ่านจากการได้ฟังหรือจากการคิดได้เนี่ยมันก็มันก็ยังใช้ผลไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พอเรามาปฏิบัติในการรู้ทันมันบ่อยเนี่ยความรู้นั้นมันจะเข้ามาถึงใจนะคนที่มันวางมันไม่ใช่ความคิด แต่เป็นเรื่องใจที่มันวางเองนะมันเป็นเรื่องของภายในที่มันวางของมันเองไม่ใช่คิดวางไม่ใช่คิดรู้แต่คือใจที่มันวางใจที่มันรู้นะเราต้องฝึกให้มันชํานาญตรงนี้แหละนะจิตของเรามันโง่นะมันโง่มาถ้ามันไม่โง่มานะไม่เวียนไหวใจเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วนะถ้าเราฝึกให้มันมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็ปัญญาเนี่ยก็ แต่ค่อยๆดบความโง่ตรง น, นั้นไปนะมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาแทนที่นะมันก็จะวางได้นะวางความทุกข์ได้นะนี่เราก็ต้องฝึกบ่อยๆเนะาะอย่าท้อแท้ท้อถอยนะนะทุกคนนะเราก็ต้องทําความเพียรกันอย่าท้อถอยนะพยายามทํากันไม่มีทางรัดนะมีแต่ต้องภาคที่ต้องปฏิบัติเท่านั้นนะปฏิบัติก็คือการ เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวาสนะก็ต้องเอาธรรมะไปใช้นะหรือว่าเราต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องทําธรรมะใช้กายใช้วาจาใช้ใจนะให้ถูกต้องทําตำนองครองธรรมเนา ะ, นะะวันนี้ก็คงพอสมควรแกร่เวลาเนาะญาโยมก็ดับสินนะในการถือสินแปดกัน